บทภาชนีอุบาย4ีประการวงเล็บหนึ่งพิสูจน์ทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนในรูปภายในวงเล็บ2ภงพิสูจน์ทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนในรูปภายนอกวงเล็บ3ภมพิสูจน์ทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนในรูปภายในและภายนอกวงเล็บ4ี่ิกษุน์ทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเมื่อสายสเอลในอากาศ